จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่ส0มีนาคมพุทธศักราช2552ตรงกับวันขึ้น15บข้ามเดือนสี่เป็นวันพระวันธรรมสวนรวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งคารหัส และบรรพชิตได้มาบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการพัฒนา <c oughs> ชีวิตจิตใจให้ดีขึ้นให้ตั้งอยู่ในความสงบสุขมีความเย็นมีความสบายไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่าง ที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียมีเกิดมีตายแต่เรื่องเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหากับจิตใจของผู้ที่ได้รอบการอบรมได้รอบการดูแลรักษาให้ตั้งอยู่ อย่างให้ตั้งอยู่ในความสงบเป็นปกติสุข <Yeah. S 1> การที่จิตใจของเราจะอยู่ในปกติสุขได้จะต้องมีสติเป็นผู้ควบคุมใจเป็นเป็นเป็นหลัก <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีสติแล้ว <Yeah. S 1> ก็จะไม่สามารถควบคุมใจได้ <Yeah. S 1> เหมือนกับรถยนต์ที่ไม่มีเบรกหรือไม่มีพวงมาลัยจะไม่สามารถควบคุมรถยนต์ ให้วิ่งไปตามทางที่ต้องการจะไปได้หรือให้หยุดก็ไม่สามารถจะหยุดได้จันใดสติก็เป็นเครื่องควบคุมใจเวลาคนที่ไม่มีสติเรามักจะเห็นเขาทําในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่เสมอหรือในขณะที่นอนหลับก็เป็นเหมือนกับในขณะที่นอนหลับก็เป็นเวลาที่ไม่มีสติ คนนอนหลับแล้วจะ <c oughs> ละเมอจะกรนหรือจะพูดอะไร <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้หรือคนที่เสพสุรายาเมาจนมึนเมาจนไม่สามารถประครับประคองกายวาจาใจของตนได้นึกอยากจะทำอะไรอยากจะพูดอะไรก็จะ ทำไปพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็กลับมาหาผู้กระทาหาตนเองต้องไปติดคุกติดตารางไปใช้ค่าเสียหายอะไรต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะไม่มีสติพอที่จะควบคุมกายวาจาใจ ให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตนเองได้ดังนั้นการถือศีลในเบื้องตน้นศีลที่ข้อสำคัญที่สุดก็คือศีลข้อที่5ต้องละเว้นจากการเสพสุรายาเมาเพราะถ้าไม่สามารถละเว้นจากการเสพสุรายาเมาได้แล้ว แล้วไปเสพจนมึนเมาก็จะไม่สามารถรักษาศีลข้ออื่นได้ไม่ว่าจะเป็นปานาติบาตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอดินาการลักทรัพย์การเมการประพฤติผิดประเวณีมูสาการพูดฝนมดเท็จคนเมาเหล้านี้จะไม่ค่อยมีใครเข้าเชื่อถือเท่าไหร่พูดจาลายกะเละเทะ <c oughs> พูดแล้วก็สับสน จับใจความไม่ได้การกระทาก็ไม่เรียบร้อยสเสะปะสปะแล้วก็ไปทุก์ไปตีคนนั้นคนนี้เมื่อไม่พอใจหรือไม่ถูกใจนี่คือปัญหาของคนเราคือไม่สามารถที่จะมีสติพอที่จะยับยั้งจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ ถึงแม้เราจะไม่เสษสุรายาเมามก็อย่าไปคิดว่าเราไม่สติพอแล้วเพราะเราก็ยังพังเพลอที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไปลักทรัพย์ได้ไปประพฤติผิดประเวณีได้ <c oughs> ไปพูดปลมดเท็ได้หากลูกแก่อำนาจของความโลภของความโกรธแล้วในเวลาปกติอย่างตอนนี้ เรื่องการที่จะไปทำผิดสิ่ น, นี้มันยากเพราะเราไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรเรามีอารมณ์ที่จะนั่งอยู่เฉยๆฟังเทศฟังธรรมมีความสุขมีความสบายใจตอนนี้รักษาศิ่งห้าได้อย่างสบายแต่จะรักษาอย่างนี้ได้ไปตลอดหรือไม่เพราะเมื่อเราลุกจากที่นี่ไปแล้วเราไปทาภารกิจการงานอย่างอื่น เราไปสัมผัสเราไปเห็นสิ่งต่างๆไปได้ยินสิ่งต่างๆเราก็อาจจะเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาได้เมื่อเกิดความโลภเกิดความโกรธแล้วเราก็อดที่จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีได้แต่ถ้าเรามีสติคอยเฝ้าดูแลกายวาจาใจเราอยู่อย่างสม่าเสมอเราก็จะรู้ทันทีว่าตอนนี้เรากำลังโลภตอนนี้เรากาลังโกรธ ตอนนี้เรากำลังคิดไม่ดีตอนนี้เรากำลังจะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเรามีสติเรารู้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะยับยั้งมันได้เช่นคิดไม่ดีเราก็เปลี่ยนความคิดเสียใหม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็คิดให้อภัยผู้อื่นแทนใครมาทำอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีให้เราเสียใจให้เรากโกรธเราก็ต้องมีสติรู้ว่าตอนนี้เรากำลังโกรธแล้ว และเรากาลังจะคิดไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นเราก็ต้องคิดให้ดีคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือไม่ให้เบียดเบียนกันอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทำร้ายทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองของเขาอย่าไปทำร้ายลูกเมียเขาหรือสามีเขาอยาไปให้ยาไปใส่ความ อย่าไปประจานอย่าไปด่าเขาอย่างนี้ถ้ามีสติก็จะสามารถพลิกใจของเราได้ใจที่กําลังโกรธก็ให้เย็นสบายลงได้ให้หายโกรธได้ด้วยการให้อภัยไม่จองเวรเพราะการจองเวร น, นี้ไม่ได้เป็นการร <c oughs> ังับเวรกรรมแต่จะสร้างเวรกรรมเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยเรื่เรียกว่าเวร เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรถ้าเราไม่ไปด่าเขาไปว่าเขาเขาก็จะไม่ด่าเราเขาก็จะไม่ว่าเราเขาก็จะไม่ทำอะไรกับเราเรื่องก็จบส่วนที่เขาทำไปแล้วก็คิดเสียว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันเราอาจจะเคยไปทำอะไรไม่ดีหรือพูดอะไรไม่ดีทำให้เขาโกรธ ตอนนี้เขาก็ขอมาเอาทวงคืนไปแต่เราจะไม่ทำตามแบบเขาเพราะถ้าเราทําแบบเขาเดี๋ยวเขาก็ยังต้อกลับมาทวงคืนใหม่อีกมันก็ทวงกันไปทวงกันมาไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราหยุดเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็จบคนหยุดได้นี่แหละเป็นคนวิเศษเป็นคนที่บรรลุธรรมนังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนองค์คริมาน อนที่องค์กุลิมาพยายามที่จะตามฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถวิ่งตามทันพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีอิทธิฤทธิ <c> ์ <oughs> สามารถทำให้องคุลิมาไม่สามารถวิ่งตามทันพระองค์ได้จนองคุลิมาถึงกับเหนื่อยก็เลยตะโกนไปไปถึงพระพุทธเจ้าว่าทำไมท่านไม่หยุดสีกทีเราวิ่งตามท่านแทบเป็นททบตายทาไมตามไม่ทัน โอ้พุทธเจ้าเลยถือโอกาสนี้สั่งสอนนมพลิมาว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเราหยุดจากความโลภจากความอยากความต้องการสิ่งต่างๆแล้วแต่เธอยังไมเ่เธอยังไม่หยุดเพราะเธอยังอยากจะบรรลุธรรมด้วยการฆ่าผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นวิถีทางของการบรรลุธรรมไม่ได้เป็นวิถีทางที่จะทําให้ตนเป็นผู้ประเสริฐ เป็นที่น่าเคารพกราบไหว้หบูชาแต่อย่างใดการที่เราจะทำตนของเราให้เป็นคนที่น่ารักน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาน่าเคารพเราต้องเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจไม่พูดไม่ไม่พูดไม่ดีไม่ทำไม่ดีไม่คิดไม่ดีคิดแต่คิดแต่ ค, แตคิดดี พูดดีทดําดีเท่านั้นนะดังตถาคตที่ได้ทํามานะนะเมื่อองค์ุลิมาได้ยินก็เกิดสติขึ้นมาเนะกิดสติรู้แล้วว่าอ๋อตอนเราเองกําลังเป็นบ้าอยู่เรากําลังเป็นยักษ์เป็นมารอยู่เรากําลังตามฆ่าผู้อื่นแล้วเราจะไปดีไปวิเศษได้อย่างไรจากการฆ่าผู้อื่น <c oughs> พอได้สติก็ยอมแพ้พระพุทธเจ้า ยอมกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าบวชให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาทันทีด้วยการหยุดต่างหาไม่ใช่ด้วยการกระทำอะไรทั้งนั้นการบรรลุธรรมบรรลุของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใต้ต้นโพนั่งอยู่เฉยๆสงบกายสงบวาจาสงบใจกำราบความโลภความโกรธความหลงกำลาบ ตันหาทั้งสามคือกามาตัญหาความอยากในการภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่ต่างหากคือผลทางของของผู้วิเศษทั้งหลายท่านหยุดกันท่านไม่ได้ทำกันท่านไม่ได้โลภกันไม่ได้โกรธกันไม่ได้หลงกันไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไม่ได้อยากดูอยากฟังอยากกินอยากลิ้มรส <c oughs> อยากสัมผัสกับสิตต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่วิเศษวิโสแต่อย่างใดและมันก็ไม่ไทําให้จิตใจวิเศษวิโสแต่อย่างใดแต่กลับทําให้จิตใจต่ำลงไปเรื่อยๆคนยิ่งโลภมากโลภโมโทสันมากเท่าไหร่ก็จะเป็นคนร้ายกาจมากขึ้นไปเท่านั้น คนที่ไม่โรคโมโทสารหรือโรคโมโทสันน้อยลงไปเท่าไหร่ก็จะเป็นคนดีขึ้นไปมากขึ้นไปเท่านั้นลองเปรียบเทียบดูคนโรคกับคนไม่โรคนี้เป็นอย่างไรคนโรคนี้อยู่กับใครได้ที่ไหนเห็นอะไรก็ต้องเอาคิดถึงตัวเองก่อนแล้วคนอื่นไม่คิดถึงเลยว่าเขาจะเป็นอย่างไรเวลากินอาหารก็แย่งเขาก่อนลอาหารเห็นอยากจะกินอาหารจะนไหนก็หยิบก่อนกินก่อน แต่คนไม่โลภนี้เขาเป็นคนใจกว้างเขาบอกเอาเลยตักไปก่อนอเดี๋ยวเรากินอะไรก็ได้เรากินเพื่ออยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นอุจจาระเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีวิอะไรวิเศษวิโสหรอกกินเข้าไปก็เป็นเพียงเพื่อที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่งมันไม่มีความสุขอะไรจากการกินหรอก กินของที่เราชอบหรือกินของที่เราไม่ชอบมันก็เหมือนกันร่างกายมันไม่รู้หรอกว่ามันกินอะไรไอ้ตัวรู้มันไม่ได้กินตัวใจมันไม่ได้กินเหมือนแม่ที่ป้อนอาหารให้กับลูกแม่ไม่ได้กินหรอกป้อนอาหารให้กับลูกแม่ก็ว่าไอ้นั่นอร่อยไอ้นี่อร่อยลูกมันก็บางทีมันก็ไม่อยากจะกินซอด้วยซ้ำไปเพราะมันไม่อร่อยตามที่แม่ว่าแต่มันก็ต้องถูกยากเยียดให้กิน ดันใ้ใจกับใจกับกายก็เป็นอย่างนี้ใจเป็นเหมือนแม่กายเป็นเหมือนลูกแม่เลี้ยงลูกแม่ก็เห็นอาหารนั่นดีอาหารนั่นอร่อยก็รีบหยิบก้าวมาใส่ปากลูกแต่ลูกมันไม่รู้หรอกดีหรือไม่ดีพอมันไปผสมกับน้ําลายเคี้ยวแล้วเกินเข้าไปในปากแล้วลองคายออกมาดูได้แม่มันอยากจะกินไหมแม่มันเห็นก็กินไม่ลงทั้งทั้งที่แม่มันไม่ได้กินเสียได้ซ้ําไป นี่แหละคือความหลงความโลภมันเป็นอย่างนี้มันไม่รู้ว่าตัวมันเองมันไม่ได้กินเลยแต่มันกลับไปมุมมากลับไปแย่งอาหารของคนอื่นเขาเลยเป็นเพราะว่ามันหลงมันไม่มีปัญญาไม่มีใครสั่งสอนให้รู้ว่าการกินนี้กินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อจิตใจอาหารของร่างกายไม่ใช่เป็นอาหารของจิตใจ อาหารของจิตใจก็คือบุญกุศลคือธรรมะคือความสงบนี่เองความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี่ต่างหากเป็นอาหารของใจถ้าใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเวลาใดเวลานั้นก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอเวลาใดมีความโลภมีความโกรธมีความหลงขึ้นมาตอนนั้นก็ใจก็ลุกขึ้นเป็นไฟขึ้นมา ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่ได้ดับไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงหลงไปแต่กลับจะให้มีไฟนี้ลุกขึ้นไปมากยิ่งขึ้นโลภมากยิ่งขึ้นโกรธมากยิ่งขึ้นทุกมากยิ่งขึ้นนีความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจส่วนความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงนี้เป็นอาหารของจิตใจเป็นอาหารที่เช่นเรา ทำบุญให้ทานนี้ก็เพื่อที่จะดับความโลภความความเห็นแก่ตัวความตณี <Okay. S 1> พอเราให้แล้วใจเราก็โล่งเย็น oh. สบายมีความสุขแต่ถ้าเราได้มาแล้วเราก็ตาวาวอยากจะได้มากขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกพอคราวหน้าได้น้อยกว่าคราวนี้ก็ไม่สบายใจไม่พอใจ ใครเคยให้เงินเท่าไหรคราวหน้าให้น้อยก่อนนิดนึงก็ไม่พอใจแล้วเคยให้ร้อยหนึ่งคราวหน้าให้50สบก็ไม่พอใจแล้วต้องให้มากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมถึงจะพอใจ <c oughs> พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราหัดมักน้อยสันโดษเอาไว้แล้วเราจะมีความสุขเราอยากน้อยแล้ว เ, เ, เราได้มากเราก็ไม่เดือดร้อนเราได้น้อยเราก็ไม่เดือดร้อน พราะเราอยากได้น้อยอยู่แล้วนี่คือความมักน้อยเป็นอย่างนี้ถ้ามักมากแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่พอใจได้เท่านี้ก็อยากจะได้อีกสองเท่าได้อีกสองเท่าก็อยากจะได้อีกเท่ามันจะอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่สุภาษิตโบราณพูดไว้ว่าได้คือก็อยากจะเอาศอกได้ศอกก็อยากจะเอาวาได้วาก็อยากจะได้ กว้างขึ้นไปได้เป็นเส้นไปย่ายาวไปอย่างแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีหรอกถ้ามันไม่ถึงความพอเมื่อไหร่มันก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามากน้อยแล้วโอ้ยได้เท่านี้ก็พอแล้วดีใจแล้วก็มีความสุขแล้วได้มากกว่าที่เราอยากได้ก็ยิ่งดีอก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรือไม่เช่นั้นก็ให้สันโดอยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็พอใจ มีอะไรก็พอใจถ้ามีมั่งน้อยมีสันโดษแล้วชีวิตของเราจะสุขจะสบายจะไม่มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจทั้งหลายจะไม่ต้องไปทาบาป ท, ทากรรมไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปประพฤติผิดประเวณีไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงไม่ต้องไปเสพสุรายยาเมา <c oughs> เพราะเรามีความสุขเรามีความพอใจอยู่ในตัวของเราแล้ว นี่แหละคือการบำเพ็ญการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นอยู่ที่การทําบุญให้ทานอย่างสม่าเสมออยู่ที่การละเว้นการกระพตธที่ไม่ดีการกระทาที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดี และเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือความมากน้อยสันโดษนี่เองปยาญาฝึกฝนจิตใจสอนให้มากน้อยด้วยการเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อย <c oughs> ว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่มีใครรู้จะตายไปเมื่อไหร่วันนี้อาจจะเป็นวันตายของเราก็ได้คิดอย่างนี้แล้วมันจะมันจะไม่โลภมันจะไม่อยากมันจะยินดีตามมีตามเกิด ถ้าคิดว่าโอ๊ยเราจะอยู่ไปอีกร้อยปีนี่มันก็จะต้องวุ่นวายละจะต้องหาเงินหาทองเผื่อไวล้ละเดี๋ยวไปวันข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเกิดไม่มีเงินใช้เราจะเดือดร้อนไม่มีสมบัติแล้วเราจะเดือดร้อนแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของโลกนี้ก็ได้ <c oughs> มีสุภาษิตของชาวอินเดียอยู่ท่านหนึ่งชื่อการที่ คานทีท่านสอนบอกว่าให้อยู่แบบว่าวันนี้เป็นเหมือนวันสุดท้ายของเราเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไม่โลภเราจะไม่อยากได้อะไรมาก mm hmm. แต่ถ้าเราอยู่แบบคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกร้อยปีอย่างนี้เราจะอยู่แบบโลภมากเราจะอยู่แบบทุกมากเราจะอยู่แบบกังวลห่วงนั่นห่วงนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนพระอนุ์ ว่าให้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนีให้รำลึกว่าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายนะหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายมีเท่านี้แหละชีวิตของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกับอะไรในโลกนี้เลยตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่สังขารร่างกายของตนเองก็เอาไปไม่ได้ อย่าว่าแต่สมบัติเข้าของเงินทองเลยหรือคนอื่นเลยเขาไม่ไปกับเราหรอกเวลาเราตายแล้วเขาไม่ไปนอนในโรงกับเราเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงรักเขามากจนเกินไปสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าสามีภรรยาไม่ว่าบุตรธิดาไม่ว่าพ่อแม่ไม่ว่าเพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือศัตรูของเราก็เป็นแบบเดียวกันไม่ต้องไปอยากฆ่าเขาหลอกเดี๋ยวถึงเวลาเวลามันก็ฆ่าเขาเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าเขาถึงเวลาแล้วเขาตายแน่ๆถ้ายังไม่ถึงเวลาต่อให้ทําอย่างไรเขาก็ไม่ตายต่อให้สาดให้แช่งอย่างไรก็ไม่ตายแต่เมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครยับยั้งความตายได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคน ตายเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าก็ตายพระเจ้าแผ่นดินก็ตายประธานาธิบดีก็ตายนายกก็ตายมหาเศรษฐีก็ตายคนธรรมดาอย่างเราก็ตายคนขอทานก็ตายสัตว์ทั้งหลายก็ตายเหมือนกันหมดไม่มีใครไม่ตายเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนแต่อย่าไปกลัวตายเพราะความกลัวตายนี้เป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้กลัวตาย วิธีที่จะทำให้ไม่กลัตายก็คือทำใจให้สงบทำใจให้ไม่โลภไม่อยากทำใจให้มักน้อยสันโดษเวลาตายจะตายอย่างเป็นสุขถ้าตายแบบโลภแล้วจะตายแบบทุกข์ทรมานใจเพราะจะห่วงจะหวงจะเสียดายสมบัติเข้าของเงินทองเสียดายร่างกายอันนี้แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ยึดไม่ติดชอบให้ทานอยู่เรื่อยๆเวลาให้แล้วมันมีความสุข พอเวลาตายก็ยินดีให้ร่างกายนี้แก่โยมพบาลไปเลยลายโยมพบาลต้องการร่างกายนี้ก็ขอทำบุญยกให้ยมพบาลไปเลยเหมือนกับเราทำบุญให้ทานให้ข้าวของเงินทองให้แล้วเราสบายใจถ้าเราหวงแล้วเราทุกข์นี่นี่คือการการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติการให้ทานนี้ก็เป็นการฝึกให้เราปล่อยวางนั่นเอง มีอะไรก็อย่ากเก็บเอาไว้อย่าหวงเอาไว้ถ้ามันไม่จาเป็นกับเราแล้วอย่ากเก็บเอาไว้เก็บไว้แล้วทำให้เราทุกข์ให้เราห่วงให้เราทรมานใจเวลาที่เรา <c oughs> จากมันไปหรือเวลาที่มันจากเราไปแต่ถ้าเราให้ด้วยความเต็มใจเราจะมีความสุข <c oughs> นี่คือการ <c oughs> ดูแลรักษาชีวิตจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบ ให้ตั้งอยู่ในความดีงามอยู่ที่การมีสติคอยเฝ้าดูใจและมีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าคอยเตือนใจเราให้เราอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปจองเวรจองกรรผู้อื่นอย่าไปโลภอย่าไปอยากอย่าไปต้องการอะไรต่างๆในโลกนี้ขอให้อยู่อย่างมากน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด ชีวิตของเราจะมีแต่ความโล่มเงย็นเป็นสุขไปตลอดเวลานับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเวลาที่ตายแต่แล้วหลังจากตายไปแล้วก็ยังมีความสุขอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยังมีความสุขอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนจากเราท่านไปอยู่รอพวกเราอยู่ที่พระนิพพานนี่เองพระนิพพานก็คือเจ็ดที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลง จิตที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดตีกต่อไปจิตที่มีแต่ปลมังสุขขังนี่คือจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกคนขอให้พยายามบำเพ็ญประทุนปฏิบัติไปเถิดแล้วเราจะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดทุกวันพระเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาชำระกายวาจาใจมารักษากายวาจาใจให้สะอาดหมดจด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 ในดันมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระโดยทั่วหน้ากาันเทอ